MM ่้มกบุญบอ้ม u บุญ a ปก a บอุ้ l e บุญไปกับอุ้บุปกับอุ้มกบับอุ้มกบุญไปกัับอุ้มั้มก ก n จะมีฝนตกถ้ามีฝนตกก็จะมีฝนตกถ้ามีฝนตกก็จะมีฝนตก สอมปืนด้ใกล้นนเ น, บบนี่อลองวันยังก็จ ต้นน <c ười> <c ười> <Av il> ึง <c> ก <ười> <Ừ. S 2> ็มันต้นหอมงี้ยอยู่นิฮนงี้ยอยู่หนิมือโบ้โอ้ไม่ใส่ของโซ่ต่อยอยู่บริเวณนั้นมันมันกินตรงนี้กันเลยที่พูดไปกันมนะที่ร้านนี ีวนั่นตีจะจะน้อยเมื่อปะเหล่าวะนั่นวะนั่นวะนั่นวะนั่นวะนั่นวะนั่นวะนั่นวะนั่นวะนั่นวะนั่นวะนั่นวะนม่นวะนั่นวะนั่นวะนั่นวะนั่นวะนั่นวะนั่นวะนั่นวะนั่นวะรั่นวะนั่นวะนั่นวะนั่นวะนั่นวะนั่นวะนั่นวะนั่นวะนั่ เดี๋ยวเลมาพอพดียนั่นลาย่างน้ก้นถึงหุมใหม่แน่ของปูว่านี่ผู้นั่งกายผุ้นี้กายแล้วก็เที่ยวไปทุกปีทุกปีครับว่าจะถึงได้ยู่นีแล้วเก็บไปถึงได้ลงปูยู่นีได้ผมแล้วเก็บไว้ตลอดโอ้าเก็บเอาไว้หมดโอ้ยงีคือเกายังห่องห่องย่ะหอหอเด ดันคนละอึกสองอึดกินยาแล้วพอกระป่าพ่อหาจากแล้วมังคุดิฏิก็บไปยังตีสุดท้ายเป็นว่าได้มากที่กว่ากินกุ้งทั่วเลยกระได้แ่งกันในทั่วค่ะไปเปิดอันนี้ เคยเอาแทนพระยังแทนพระเอามาห้องปฏิโมกไม่เกียแเจ็บไปใตแทนพระเจองไม่เกียลงปูลาเข่ามากย่ง้มือหนุจ่อเจ็บไปเป้อเจ็บแเก็บเก็บด้วยความลุกอหลักอดีดิมือนีแล้วผ่านที่สีมือนียิบเองยิบงันเท่าซือมือดิกูจะหนามากอาใส่ต็ อันนี้จ้ของผกปทีนอั่าปูทีนางเจ๊ไปผมวดเห็ดเองเมื่ต่กอนนี่ฝ่าปูเป้นยังไงอยู่ทั้งขดวนเหลียงบ่ิบูมากบริกาน้ำหมักของปูแลยซึ่บ่มาเทียวบริกาก็ต่ากันว่ามานุ่งจาร่างจารงกับดาัดกงเจียวด็อหมักมาไปนี่กันบริการบรกัน โอ้ยอาสสดเสมอเพ่าเมีแหละบวานเอาโดยเฉพาะยังกิงวุ้ยผู้สิธิตลาดเะไปจังจี่นี่คำสุไทย์วัดตัวเขาอหนกเขาไอ้หนักมันไปเขาผาไปกลับคำสุไทายคิดจังได้อยู่ดีอยากอยากเที่ยวหมากนะได้หน่อยมึงนี่แต่คำสุไทายเสาแไต่หันแล้วเสาเลยคำสุไทดยลุงตาดิยื้อข้อเลยค่ะลุตาคำไท้ายงลง ดีด้วะกุมขึ้นือละเมออย่างพูดอย่ง้ตาละเมอภาษาเนี้ยงโดุนัองเม้อไหมตกใจตกดูมัฟังโดนละเมอเนี่ยไปพักนึงขึ้นไม่อีกยังไปพันึงขึ้นไม่อีกเลยเอิเอินเอาตัวอยู่ตยายามที่พยายามที่เอานอตะนเอิญเอิ จงไปเลยดิภาษาเนี่้องบอกภาษามันยินดีับมแม่าไม่รู้ทำยังนะบของหลายที่อ่ะม่มีของยหรตื่นขึ้นมาเป็นเมยเลยล่ะบวดใจปเป็นเมย์่ลยขึ้นมาสิเป็นพวก เขาส่งพวกทํา น, นี่นะมาขึ้นไปซอยค้นพวกได้เป็นนิสัยอยากซอยค้นน่ะมีเสียงมาบอกให้ฟอนกับฟอนจให้โยกข้โยกตัวแต่นังสมาธิเลยมายเาลย ป, ประนล่าล่ำล่ำล่ลองเป้งให้ฟังหน่อยล่ำหน่อัดมาฟัง่นั่งจะวิ่งก็ียุนี่ยังสิล่าอยู่แค่ว่าฝนขอลองได้ยุเดี๋ยวไฉันยุดีซีนิหน่อยเน่แต่เท่ายุเป็นต่อ เดียว่าได้ยู้กันต่ไอ้ไข่ครับแต่เฮไมิเตอยากไปหาซอยคนปากซอยคนซอยผู้นั้นซอยผู้นี้แต่ว่าให้เมื่อยอยู่ขวงขอพ่อฟอนแล้วเมือ่อเมื่อคืนนั่แต่ว่าที่เทศสีนังตำรวจที่พ่อตำหนดสีบริกรรมเนี่ยเขาบอกให้ฟอนแล้วแต่ยังไม่ไข่ครับพวกเขาซ่องพวกพวกอย่างนี้ยู่ว่าน้องจะแบบสวัดฟอน อ๋อคนปวนน่วยนั่นแหละมันนี่มูทีแรกนี่มูมูเขาเหตุ ah แล้วนะแล้วบอกทีแรกแล้วเป็นคนขยันหนังสมาธิพาวาน่าเด้อพ่อมูซ้วนไปซอยมูมูเดียวกันมีขเขาสิเบียร์ที่ไปช้วนไปซอยคอนป่วยซอยคอนป่วยเปพวก ย, ย, ย, ยกขาใช่ ไ, ไหมอ๋อไปซอยคอนป่วยซอยนั่นอยากไม่ได้อยากซอยเขาบอ่อยเลยเกิเป็นคนฉีกขัขนพาวาน่าป่ะอยากเห็นอยากพาวาน่าพ่อสี่กำหนดกันไปแน่มาแล้วเสียงมาบอกแล้วไอ้ตเออมันสิเป็นพวก เขาสิกันอยู่แต่ว่าจะคลองเมื่อได้ไนี่ไปสอยพื้ น, น, นได้ออออดดดจ ะ, ดดจ ะ, จะอคองสีายได้ไวนะจกเหตุการณงไหออกออกกูได้แ่มาหัว่าโว้ยิดเสิกิด่าว้อยังไดเรอตกใจแล้วมีอยนี้บ้านอกนลืมสือไปซะมาี่าเออมาล็อีฝ้า วายล้มอ่อนลักษหเรื่ันเลยอย่าไม่บ้านครับตัพีฟ้าเขาทางทิงเอยทางทึงนี่ขีสดใสแล้ววะเฮตัองเฮ้ยวีิเราะหานบ้ากุศวะโ้มกามุกนยาบ้ากุศ ซุบะไ g a n ัน a ันไม่กันตัน u ุ a ัจฉ์ไม่กันตันโตยุริการันย์เขาดีที่น a ่เสียงดังอื้อหืออื้อหืออ พักก <laughs> ี ang, ้นี่อ oh. ah ี u ุยลีนั่งยิ้มเสียก่อน s e n ั้งย n าไม่ n ้ n งยิ้มพักกี้สน g กสนุกเลยถากี้นุกสนุกแล้ก็ใ้แง arta ว u ากันเสื่อมเพื่อซิมุญญาลูดัจจ a นทร์ยังวางอิดบันคุ้มพลินหุ30าม่ใช่ร์จุดอะไรพัพักงๆฉันอ ฉันว่ a คนยังไม่ค a k นเค a ฉัน y a า a ให้มาให้กับอ a ไ y a นไม่ r ู้ใจ n ัง a ลยไม่ a ด i ร a บการต a บรับเ g ย k ี i น a ่ที a นี่ที่นี i ท a n น e ่ที a นี่ที g นี่ท a ่นี a ที่ a ี่ที่นี่ท a ่นี่ที่นี่ที a นี่ที่นี่ท a ่นี่ a ี่น a s a ี a น i ่ a ี่น a ่ที a นี่ที่นี y a ี่นี่ที a นี่ที i นี่ที่ i ี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ท a ่น issue m u a เป A นไม่ใช่ดาราทุกคเอ้อกโซนว่ i s s e อย่าอะไร u l i ร i k n y a l บ m p ๊บปุ๊บปุ๊ a ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ p u s ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ t ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บป i ๊บปุ๊บป n ๊บปุ๊บปุ อ ไ, ไอ้พระธาตุเพิ่นได้พระธาตุเพิ่นไปขอเอาพระธาตุหลวงปูสุทัศนมามันง่ามเลยนะหลวงปูสุทันทสีหลวงปูเอาเอาถึงเจดีมืดบ่มืนบ่ในลูกเพิ่นเจีบไปแบบนี้ย่า่อยากได้คงเกิดเลยไปขอจากลูกสาวไปมาให้เดย์หนึ่งมากบบนี้ผมว่านางยุ่ห์หนาบานคุณชัดมันเป็นเตมเบือเบ้องเตมเบื้องปูพื้นเป็นแปลเนาะ ท่านธรรมดาเต่เพิ่นว่าท่านเดนั่นเพิ่นเกยหยอกผมดีๆแล้วเพิ่นชอบหยอกก็ผมให้ลูกคือนหลานผมจะเพินผมก็เลยบอหยอกเล่นแน่แน่ใส่คือว่างามแท้กระดูกว่าเพิ่นเลยนะผมวาเอาลูกสาวเพิ่นนี่นะผมมากถึงแม่เพราผมเม่ย็บเข็นตกลงมาปั๊บไป น, นึ่งรุดมือลงไปฮ่าอย่างไรก็บเรเห็นผมยืดเม็นแผนกับเบื้องขาวๆนี่ว่ามป็นเม็ดน้อยที่ทอมเม็ดข้าวสารผมนี่ไงก็เม็ดข้าวสารฮ่าเพราเห็นยุ้ผมได้กราบลงทัน ผมกับล้พื้นล้มปูผมขอกระมาล้ผมหยอดล้มปูเหล็ผมคารบของหักล้งปูที่ผมบอเห่็ตซื้อไอ้จะหยอดผมตัวเอาขึ้นมาซะผมว่าไอ้ที่ทิมก็ลอยอยู่ว่ง่ายหรอผมยังได้ขึ้นมาไอ้ตัวย่างไยังได้มาหายายไดออกมาไหวพี่ยัางกินย่งกวยย่งกุันิทานกินแป้งของคน่านเค่หยอดผมไม่ได้หยอดรูปหลานเนาะลิลิ่งยาล้มปูสุอร เรื่องเ a ื่อ i เล่าเรื่องเล่า a รื่องเ a ่าผมขอจากผู้สูงอายุค a นึงคนนึงคนผู้สูงอายุคนนึงคนนึง k นผู้สูงอา a ุคนนึงค i นึงคน a ู้สูงอายุคนนึงคนนึงคนผู้สูง i ายุคนนึง n นนึงคนผู้ a ูงอายุคนนึงค l นึง anak laki-lakinya bawa tulangnya bungkus dengan k a i n putih-putih hmm. mau dicuci dulu mau diisi di tempatnya hmm. tapi dia langsung cuci di air di k o r a m dia wow. <laughs> langsung cuci uh, tulang biasa waktu kena air semua seperti hidup ada oh. hidup di, di okay. yang, yang uh, jadi semua hancur jadi lilik bentar waktu itu เด็กๆที่มาเขาทั้ง a มดใช่ท m ่คอลั a น์นี่ที่คอลัมน์นี่ที่คอลัมน์น a ่ที l คอลัมน์นี่ที่คอลัมน์นี่ที่คอล a มน a น a ่ที่ u อ a ัมน์นี i ที่คอลัมน a นี่ที่คอ a ัมน a นี่ที่คอลั ยิ่งสิ่งเก a <laughs> ดให n บุ n ลิลิตั้งต้องเข้า a ุดจุ y a ้นน้ำสกน้ำสกรา iin ya l บ m p งผู้ n ุดทอนแต่ปีวันนี้เขายังไม่ e nggak l a า g s u n g อ a t ไ ok. ร สัต a ์ดิ i ันเตย i ดิสี่นี a สั่งยัล a ก i ั i ิกท a sampai saya kaget saya nama s k a, a l a di tempat ป e ่มที่ต้ a งขอโท a ท a ่อยากไ a ้ความแน่นนะจ้ a คืนวันท a ่จ้าได้คืนวันที่จ้าอยากแน่นที่ต้องลงปุ่มที่จ a าที a อ a าก langsung k e l ด้ a t ่ยังงี้ด k วยว่ากลับม s เลยตั้งใจจะให้คุณู่ยุริกลับมาที่นี่ไม่มันไม่ไดนี่นะที่แล้วจะไปปนซิมปันกัน c าว่าอะไรราะนเป็นเรอ ก็บอกใไปยานยานสาใ้ใ้เ <Q> น <uel> ี่ยใ้เล็อย่าหู้ยเดี๋ยวเอาหคนแล้วก็เอาของันมัดเดี๋ยวเอาหเพิ่มือเอาของฉันัดย้เด่นจกอย่างหมกอยเเตแ่อาย่มีกอาารจไหั่หมบ่ใหใครใหใคร่ั่่มับไ่่มรไหม เดี๋ยวไม่ีใเดี๋ยวเอาหอยเิ่งแ้วสนาเอาอีกาันแกต้ให้คนเพิ่งเาสาเอาของฉันมนแเพิ่ก็แบ่งหน้อยนึมาเก็บค่ะเพื่อว่าหอตว่าว่ให้ันกระปุกเป็นปวดปวดน้าปวดหน้าปวดน้า่เลยาว่าแกกันแกนน้าหมากมันคือเสีย่ะเสียหอไเหลียมมั่าเป็นหกันเอ้โหดิฉันก็พต 35ไม่ใช้วางยี s <S ัจะบระีน่าันู้ไว่านวักสิ้งนี่เอาเ่ดีารให้นกล่องไปซ่องานะยเสียาาจนนี้นะคะเ้อหนึ่งกล่องสองโซ่ใช่ตันตักุกาลี้อขึ้นโ่เป็นนอสในห้วงเอในห่งมนย้ายเป็นนอเป็นูกรปุนี่แหละเ้อแล้วเนรเป็นเบิรงไปสอเบิรงมางเหน โซด้ไมีได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ี้ไม่ไดม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไมได้ไม่ด่ไ้่ม้้่่่่ด้มด้มม่่้ม่้้ได้่ได้ไไมด้่ เขารถเกมากที่หาขั้นกว่าเออกไปวัเราบอกเมื่อกี้โบรถไหนให้เขามาอดที่หรือเปล่าไม่เห็นวมาซองสังเกตการสื่อสารหรือยังอุดะอุดะตรงนี้เหมือนกัาเอา้องกันนาสกาเลนะจสมาจะมา ครั้งน mm. eh, ี้เราจิตอาจะกันด k านการแ a บก็ต้องการ a ี่จ a มีการส a ับสนุนให้ก n บการ a ี่จ n มีการสนับสนุนใ k ้กั a ก a รที่จะมีการสนับสนุนใันับสามารทุกานาุทกะกันสส่ส่ ว่าตามสุธินนงวตเมธานางวตเมธานางธานงเมธานงเมปริสุทธังปริสุทธังอาสาวะอสสาวะ ขยาวาหังขาหังโหตูโหตุพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้ายินดีให้ทานยินดีให้ทานของทานของทานจากพวกข้าพเจ้าจาพวกข้าพเจ้าได้มาแล้วได้มาแล้วด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความบริสุทธิ์ขอพระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าจงรับจงรับของทานของทานจากพวกข้าพเจ้าจาพวกข้า เจ้าเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายญาติของพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วที่ล่วงลับไปแล้วโดยเฉพาะโดยเจริงจริงที่ล่วงลับไปแล้วที่ล่วงลับไปแล้วจงรับทราบจงรับทารับ อาบุญกุศลรับอาุญกุศลจากญาติพี่น้องจากญาติพี่น้องจากพวกข้าพเจ้าทั้งหลายจากพวกข้าพเจ้าทั้งหลายที่อุทิศให้แล้วนั้นที่อุทิศให้แล้วนั้นแล้วจงไปสู่สุขติแล้วจงไปสู่สุขติสมดังความปรารถนาสมดังความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการเถิดทุกสิ่งทุกประการเถิด ไปจากนั้นดานาดานาดานาดานายัง่ตาัมดานาวนี้เอ่อสอ่านัิงสแต่เดานายังทีตาดานาอันี้ดานาบัตรนหรือบัตรเจตัวปัจจัยทัดที่เราได้ที่ที่ที่ี่ เก k ย n ติน uh, uh, uh, ันเกียรตินันตามสังฆบุตรสมุตตาจ้าสาวจ้าสาวที่เราได้รั d จากเงินทุนในวันนี้เราจะส่งจ้าสาวจ้าสาวนี้ไปให้คุณพ่อสิงห์ถ้าคุณพ่อสิงห์ a d ู่ที a ไห a ห a ือไม่รู้ว a d a ยู่ที่ไหนขอให้เทพเจ้าท่ u นช่วยบอก i ุณพ่สิง จะรั m แค่แค่แค่ที่ที่ที่ที่ที d ที่ที่ที่ทน่ที่ี่ี่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ทีท อิชิตังปสิตังตูมังคิปเมวะสะเมจาตุสเพปุรเรนตูสังกปาจันโทปนราโซจธ า, ามณีโชติราโซาทา <c oughs> ราตังอิตายาตานาโสุบะะิ ซาปะเดวะตา